เมตตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายาหุลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารธายะเอกาทสานิสังสาปาติกังขากัตเเมเอกาทสัสุขังสุปติสุขังปฏิพุทชติ ณปาปักังสุปีนางปัสสติมนุษสานังปิโยโหติอะมนุษสานังปิโยโหติเท е วตารัขันตินาสักิวาวิสังวาสัทถังวากะมะติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขะวันโนวิปปสีทติอาศัมมุลโหกาลังกรโรติ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 มีเพียรอันตื่นอยู่ไม่ประมาทบาริจิตายะขนขววยสะสมสุสมารัธายะมีอารมณ์ปรารบคำหนึ่งในสันดานแล้วก็มีคุณานิสงถึงสิบเอ็ดประการสุขังสุปฏิคือจะหลับเป็นสุขหนึ่งสุขังปฏิพุทชติจะตื่นอยู่ก็เป็นสุขหนึ่งณปาปะกังสุ ป, ปีนางปัสติ มิได้นอนฝันาร้ายหนึ่งมนุษย์สังปิโยเป็นที่รักแก่หญิงชายชนทั้งหลายในโลกนี้หนึ่งอมนุษยานางปิโยเป็นที่รักแก่ผู้ดผีทั้งหลายนั้นหนึ่งเทวตารักขันติฝูงเท พ, พดาจะอภิบาลรักษาหนึ่งนาสาอาคิวาวิสังวาสัตังวากะมะติไฟก็ดียาพิษและพิษอสรพิษก็ดี